เพื่อนคนหนึ่งเขาเล่าว่าได้บัตรอวยพรปีใหม่จากเพื่อนเขียนสั้นๆว่าขอให้เธอเห็นความสุขปกติคนเวลาเขียนการ์ดอวยพรก็จะบอกว่าให้ท้อให้เธอมีความสุขอย่างโน้นอย่างนี้แต่ว่าการ์ดอวยพรฉบับนี้บอกว่าขอให้เธอเห็นความสุขทำไมเขาถึงเขียนอย่างนั้นก็เพราะว่าคนเล่านี่ก็ มีความสุขอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มักจะมองไม่เห็นตัวเองนี่มีความสุขอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นคอยไปมองหาความสุขจากข้างนอกหรือว่าจากสิ่งที่ยังไม่มีอันนี้เป็นความจริงง่ายๆเป็นความจริงพื้นฐานที่เรามักจะไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่เราทุกคนขณะนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วการที่เราได้กินอิ่มนอนอุ่น มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยมากพอที่จะสามารถทํางานทําการต่างๆได้หรือว่าการที่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบไม่มีสิ่งที่รบกวนใจการมีญาติมิตรที่ดีไม่สร้างความหนักอกหนักใจให้หรือว่าไม่อยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วงอันนี้ต้องถือว่าเป็นความสุข อย่างหนึ่งในชีวิตซึ่งไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆเราจะไม่ตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความสุขเราจะตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขก็ต่อเมื่อเราได้ขาดสิ่งนั้นไปเช่นเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเราถึงจะได้รู้ว่าตอนที่เรามีสุขภาพดีนะั้นเป็นความสุขอย่างยิ่ง จะปวดฟันก็ดีปวดหัวเป็นหวัดหรือยังไม่ต้องพูดถึงเป็นโรคที่ร้ายแรงยิ่งถ้าเป็นโรคที่ร้ายแรงชนิดที่ว่าจะมีเวลาอยู่ในโลกได้ไม่นานเนี่ยก็จะยิ่งทราบซึ้งเลยวว่าการที่เราเคยมีสุขภาพดีมาก่อนนั้นมันเป็นความสุขอย่างยิ่งแต่เรามองไม่เห็นเพราะตาเรามองไปข้างนอกมองไปนอกตัวมองไปยังการมีความล่าความรวย มีทรัพย์สมบัติให้มากกว่านี้หรือว่ามีอะไรต่ออะไรมากมายซึ่งมันเป็นเรื่องอนาคตพอเราลองได้เจ็บป่วยหรือเราได้ขาดได้สูญเสียคนที่เราลักไปเราถึงจะได้รู้ว่าตอนที่ครั้งที่เขายังอยู่กับเรานี่เป็นความสุขอย่างหนึ่งเป็นห่วงเวลาที่มีค่ามากแต่เรากลับไม่เห็นค่าของห่วงเวลานั้นไม่รู้ว่าเราเอาใจเราไปอยู่ที่ไหน ส่วนใหญ่คนมักจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยก็ต่อเมื่อมันได้สูญเสียไปแล้วแม้แต่สมบัติเท้าของที่เราอาจจะมองว่าอมันไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่เมินเฉยแต่พอมันหายไปเสียไปถึงจะเห็นว่ามันมีค่าอันนี้เราลองหวนมาคิดดูแต่เพราะว่าการที่เราไม่เห็นความสุขนั่นแหละทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นมันมีแต่ความทุกข์ เคยให้คนที่มาอบรมเนี่ยเขาลองทบทวนชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็วัดระดับความสุขความทุกข์ในแต่ละปีแต่ละปีเป็นเส้นกราฟทีแรกหลายคนก็จะบอกว่าโอ้ยมันมีแต่ความทุกข์เห็นแต่เรื่องทุกข์ไม่เห็นว่ามีความสุขตรงไหนเลยในแต่ละปีแต่ละปีแต่พองชี้ให้เขาเห็นชี้แนวให้เห็นเรื่องเนี่ยเรื่องการลองคิดดีๆสิ ว่าเราได้มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทําให้เราได้เกิดความดีใจภาคภูมิใจหรือได้ประสบความพอใจพอใช้เวลาคิดสักหน่อยก็ค่อยเริ่มเห็นละเออเหตุการณ์ที่เป็นความสุขในชีวิตแต่ช่วงแรกช่วงขณะเนี่ยในช่วง5นาทีแรกมันเห็นแต่พุกความสุขมองไม่เห็นคนเรามักจะเป็นอย่างนี้นะเหตุการณ์ดีๆมักจะไม่ค่อยสนใจ ลืมง่ายแต่เหตุการณ์ที่ไม่ดีจะจาได้แม่นเวลาใครชมร้อนนี่ก็ไม่ค่อยได้จาเท่าไหร่แต่ถ้าใครด่าเรานี่จะจาแม่นใครให้เงินเราจาไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าเงินหายนี่โอ้อยติดตึงใจไปนานเวลามีสุขภาพดีก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีคุณค่าแต่เราจะจาแม่นเวลาเจ็บเวลาป่วยทำไมเราถึงเห็นแต่ความทุกข์ได้ชัดเจนแต่ความสุขไม่ค่อยเห็น ครูคนหนึ่งเ็เคยเอากระดาษสีขาวตรงมุมขวาเนี่ยมีจุดสีดำอยู่จุดหนึ่งแล้วก็ยกให้นักเรียนดูถามว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างนักเรียนนั้งห้องบอกเห็นสีดำครับจุดสีดำครูก็เลยถามว่าแล้วเธอไม่เห็นกระดาษสีขาวมั้งเหรอมันเห็นชัดจนเกินไปไงเห็นชัดจนเกินไปจนกระทั่งไอความชัดเจนบางทีมันก็พรางตา คือทำให้เราไม่เห็นเลยของอะไรที่มันชัดเจนอยู่กับเนื้อกับตัวหรือว่ามันปรากฏซึ่งๆ่งหน้านี่เรากลับไม่เห็นหรือไม่สังเกตหรือไม่ให้ความสนใจแต่จุดดําๆเล็กๆเห็นชัดเหลือเกินชื่อเราบางทีก็มัอนอย่างนั้นเหมือนกันนะชื่อเราเมกระดาษแผ่นนี้แหละก็คือมีสีขาวเป็นส่วนใหญ่แต่มันมีจุดเล็กๆสีดําอยู่ไม่กี่จุดแล้วก็เอาตะคอจดจ่อเห็นแต่จุดนั้นแหละ แล้วก็บ่นว่าชีวิตนี่มันทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินชีวินี่มันดํามืดนะแต่ไม่รู้จักมองสีขาวสับ้ า, บางเพื่อนเพื่อนของคนนี้เนี่ยเธอบอกขอให้เธอเห็นความสุขนั่นแหละมันถึงเป็นศิละปะอย่างหนึ่งในการดําเนินชีวิตให้เห็นสีขาวให้มันสังเกตสีขาวสักบ้ า, บางแล้วก็ได้ระลึก ว, ว่าเออชีวิตของเราเนี่มันมีสีขาวมากกว่าสีดำนะมันมีสุขมากกว่าทุกข์ บางครั้งเนี่ยความสุขก็มาในลักษณะที่ง่ายๆพอเราลองเปลี่ยนลองหลุดออกไปจากวิถีชีวิตเดิมๆ เ, เนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เรามีนีมันเป็นความสุขแค่ไหนที่นี่ทุกปีเนี่ยเราจะเดินธรรมยาตราประมาณพฤทจิทันวาก็เดินกันไปโดยเท้าจากหมู่บ้านไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นเวลาเจ็ดคืน8วันเพื่อ เชิญชวนให้คนตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จัดมาเจ็ดปีได้แล้วก็เดินกลางแดดกันเช้าบ้างกลางวันบ้างไม่ต้องมีล่มอะไรทั้งสิ้นแหละเดินเงินแดดก็ร้อนบางทีก okay. ็สามฤดูเลยฝนบ้างหนาวบ้างและเวลาเดินแดดร้อนเนี่เราจะรู้เลยว่าโอ้การที่ได้อยู่ใต้ร่มเงาแม้เพียงแค่สัก5นาทีนี่เป็นความสุข แต่ก่อนไม่คยเห็นคุณค่าของร่มเงา น, ะนั่งรถผ่านไปก็ปไม่ได้สนใจแต่พอเราได้มาใช้ชีวิตแบบนั้นเรียกว่านอนกลางดินกินกลางสายก็ยจะซาบซึ้งเห็นคุณค่าของร่มเงาแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราได้อยู่ในร่มเงาเนี่มันก็เป็นสุขแล้วลองได้ไปอยู่กลางแดดสักครึ่งชงั่วโมงถึงจะรู้สึกเลยว่า้การได้มีโอกาสอยู่ในร่มเงาเนี่มันเป็นความสุขอย่างไรบ้าง หรือการที่ได้กินน้ําสักแก้วน้าธรรมดานี่แหละมันก็ประเสริฐแล้วแต่ก่อนไม่เห็นความสุขจากการที่กินน้าธรรมดานะไปเห็นว่าต้องกินน้ําอัดลมต้องกินกาแฟอย่างดีถึงจะมีความสุขกินน้าธรรมดาไม่ไม่เป็นสุขอันนี้ไม่รู้เลยว่าเพียงแค่การที่มันดับกระหายน่ก็คือความสุขอย่างหนึ่งซึ่งมีค่ามาก เราจะไม่รู้จนกว่าที่เราจะได้ลองมาใช้ชีวิตที่ต่ำลงไปจากเดิมแล้วเราจะได้พบว่าไอชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันนี้มันเต็มไปได้วยความสะดวกสบายเต็มไปด้วยความสุขมากมายอเด็กนักเรียนจากกรุงเทพนี่โรงเรียนรุ่งอรุณมาเดินธรรมยตรา2ปีแล้วและทุกคณะก ท, ทุกครั้งก็จะรู้สึกซาบซึง้งแต่ก่อนอยู่บ้านนี่ไม่ซาบซึ้งกับชีวิตที่มีเท่าไหร่ เรียกร้องเอาจากเอาโน่นเอาหนี้จากพ่อแม่มีโทรศัพท์มือถือราคาแพงแล้วก็ไม่พอใจอยากได้รุ่นที่ดีกว่ากินอาหารก็อยากจะไปร้านแฮมเบอร์เกอร์ที่ราคาแพงกินไอติมถ้วยละ 2-300 อพอมาอยู่เดินธรรมยาตรานี้ได้กินไอติมแท่งละหบาท น, นี่ก็วิเศษแล้วซาบซึ้งใจรู้สึกว่าไอ้ชีวิตที่ตัวเองนั้นมีเนี่ยมันสุขแล้ว กลับไปบ้านพ่อแม่หลายคนก็บอกว่าลูกเปลี่ยนไปคืออยู่ง่ายมากขึ้นเรียกร้องน้อยลงอันนี้ก็เพราะว่าเขาเริ่มแล้วเริ่มเห็นความสุขที่เขามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะเลิกที่จะดิน้นรนไปแสวงหาความสุขที่มันอยู่นอกตัวหรือว่าที่ยังยังไม่มีอยู่ในเวลานี้ คุณนเวลานี้เนี่ยพอเราไปไม่เห็นความสุขที่เรามีอยู่เราไปมองความสุขว่ามันอยู่ข้างนอกตัวแล้วก็วิ่งไล่หาสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าไอ้ความสุขที่เรามีก็จะค่อยๆหายไปคนจานวนไม่น้อยก็ละทิ้งความสุขที่มีอยู่เพื่อที่จะไปเอาความสุขข้างหน้าเช่นทำงานหนักเพราะหวังจะรวยหวังจะมีบ้านมีทรัพย์มีที่ดินเยอะๆเะป็นรวยเป็น10บล้านร้ยล้านพันล้าน แล้วก็ละทิ้งความสิทที่มีนอนก็นอนไม่เต็มอิ่มไม่มีเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวบางทีก็ทะเลาะกันด้วยซ้ําไม่มีเวลาที่จะใช้ชีวิตและไม่มีเวลาที่จะใช้เงินด้วยคือแสวงหาแตงเงินทั้งทชิตที่ชีวิตที่มีอยู่มันก็ให้ความสุขแก่เราได้มีบางคนบอกว่าเนี่ยจะเลือกเงินหรือชีวิตอย่างพิธีกรรายการคนคน้คนเนี่ยเขาบอกว่า เขเคยตั้งคําถามว่าจะเลือกเงินหรือชีวิตแล้วเขาบอกว่ามันต้องมีเงินก่อนเสือต้องมีเงินก่อนตอนนี้ชีวิตเอาไว้ก่อนถ้ามีเงินและชีวิตการใช้ชีวิตมันก็ตามมาก็เลยไม่ได้มีเวลาใช้ชีวิตเท่าไหร่อันนี้เป็นคําของเขาก็หาแต่งเงินเขาก็ไม่ได้เป็นคนโลภมากเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าเงินมันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตก็แสวงหาเงินทํางานหนักไม่ได้พักผ่อนวันเสาร์วันอ า, าทิตย์ไม่มี ไม่ได้อยู่กับครอบครัวั้องที่มีครอบครัวที่น่ารักโหมทำงานเต็มที่ปรากฏว่าเพราะความการที่ทำงานหนักเพื่อหาเงินก็เลยป่วยตั้งใจว่าจะทำงาน20ปีทำได้แค่10ปีก็ทำไม่ได้แล้วก็เป็นน้ว่างเงินก็หาไม่ได้เท่าที่ต้องการแล้วก็ไม่มีเวลาเหลือที่จะใช้ชีวิตเขาก็บอกเสร็จได้ไม่มีเวลาที่จะใช้ชีวิตาทางดที่ถ้าได้ใช้ชีวิตอย่างที่เขามี ก็น่าจะมีความสุขแล้วนี่บ่อยครั้งนี้เราไปสงหาความสุขนอกตัวหรือความสุขที่เรายังไม่มีสิ่งที่ปรากฏก็คือว่าเราละทิ้งความสุขที่เรามีไปเสียไอ้ความสุขข้างหน้าก็ยังไม่ได้ไอ้ความสุขที่มีอยู่ก็ทิ้งแล้วก็เลยไม่ต่างจากหมาในนิทานอีศบมันข้ามเนื้อมาได้พอมันข้ามสะพานมันมองไปข้างล่างมันเห็นเงาตัวเองนึกว่าหมาอีกตัวหนึ่ง หมาตัวนั้นมันคาบเนื้อที่ใหญ่กว่ามันได้อยากได้มันก็เลยอ้าปากจะไปเอาผลก็คือว่าเนื้อที่คาบอยู่ก็ตกลงไปในน้าแล้วก็ทําให้เงาเนื้อในน้ํานั้นก็หายไปด้วยเรียกว่าอดทั้งสองสถานเนื้อที่อยากได้ก็ไม่ได้ไอเนื้อที่มีอยู่แล้วก็หมดไปหายไปเดี๋ยวนี้คนเป็นอย่างนี้กันมากเพราะว่าไม่เห็นความสุข หรือของดีที่ตัวเองมีอยู่แล้วเวลาปฏิบัติธรรมก็เอาความคิดแบบนี้เข้ามาก็คือว่าปฏิบัติธรรมด้วยความเคร่งเครียดนะอยากจะให้ได้บรรลุธรรมไวๆอยากจะให้คุณวิเศษไวๆเพราะคิดว่าถ้าได้แล้วจะมีความสุขแต่ความสุขที่ตัวเองหวังมันยังเป็นอนาคตอยู่แต่ในปัจจุบันนั้นเนี่ยก็ทุกปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติไปก็สุขไปเนี่ยมันทาได้ แล้วควรทําด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ไปรอเอาความสุขข้างหน้าจากการปฏิบัติแต่ตอนนี้ขอตุกไว้ก่อนทําด้วยความหน้าดำข้ามเครียดทําแต่ละทีก็มองไม่เห็นว่าตัวเองนี้ได้อะไรแต่ไปรอเอาความสุขข้างหน้าจริงๆการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันเรียกว่าจุดหมายปลายทางกับต้นทางและระหว่างทางนี้มันไปด้วยกันงดงามในเบื้องต้นงดงามในถ้ำกลางงดงามในที่สุด จุดหมายข้างหน้าที่เป็นความสุขจะได้มาก็ด้วยการเดินทางหรือมักที่เป็นสุขมักที่เป็นทุกข์นี่มันทำให้เกิดสุขไม่ได้ทุกขกรกิริยาการทรมานตนไม่มีทางที่จะทำให้เกิดจุดมุ่งหมายบรรลุจุดมุ่งหมายที่เป็นสุขได้สัจจกะนิพนณ์เคยเฉียงอพรเจ้าว่าจุดหมายที่เป็นความสุขเนี่ยมันจะบรรลุได้ วิธีการที่เป็นสุขได้อย่างไรมันต้องทำโดวยวิธีการที่เป็นพุกก็คือบำเพ็ญทุกขลักษกิริยาทรมานตนสิพระเจ้า ก, ก็แย้งไม่ใช่ศัจจการนิครัก็เลยบอกว่าถ้าความสุขบรรลุได้โดวยวิธีการที่เป็นสุขพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชาก็ต้องสุขกว่าพระพุทธเจ้าเพราะพระเจ้าพิมพิสารนี่มีอะไรต้องเยอะแยะมากมายพระเจ้า ก, ก็แย้งว่าไม่ใช่หรอกเราต่างหาที่สุขกว่าพระเจ้าพิมพิสาร ก็ยกตัวอย่างว่าเนี่ยจะให้พระเจ้าบิวิสารนั่งอยู่นิ่งๆไม่ไหวติง้งไม่พูดไม่จา7วันได้ไหมไม่ได้6วันได้ไหมก็ไม่ได้อันนี้สัจจการนิครนยอมรับเองจนกระทั่งแค่อยู่นิ่งๆไม่ไหวติงวันเดียวก็ทําไม่ได้แต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์ทําได้สัจจการนิคนก็ยอมรับว่าใช่อันนี้ก็แสดงว่าจุดหมายที่เป็นสุขเนี่ยจะบรรลุได้ก็โดยวิธีการที่เป็นสุข ไม่ใช่การทรมานตนแต่บางทีการปฏิบัติของเรามันกลายเป็นการทรมานตนไม่ใช่ทรมานด้วยการที่กินอาหารมื้อเดียวหรือว่าสองมื้อแทนที่เป็น3มื้อไม่ใช่แต่หมายถึงการที่เราทำด้วยความหน้าดําคลําเครียดทั้งทที่การปฏิบัติเนี่ยมันทําด้วยใจที่สบายหลวงพ่อเจียงก็เน้นอยู่บ่อยๆให้ทําเล่นๆอย่าทําด้วยความอยากทําด้วยความอยากมันจะเพ่งไม่เพ่งที่ท้าบางที่มือบ้างเพ่งที่ความคิดบ้าง แล้วก็จะเครียดไปในที่สุดทำแล้วก็จะหงุดหงิดว่าคุมความคิดไม่ได้สักทีโมโหบางคนโมโหตัวเองถึงกับเอารองเท้าตบตีหัวตัวเองว่าทำไมมันคิดมากอย่างนั้นปฏิบัติไปก็บอกว่าไม่มีความก้าวหน้าเลยบางทีเป็นเพราะเราไปมองความก้าวหน้าหรือความสาเร็จอีกแบบหนึ่งเหมือนกับเราปลูก ม, มออะม่วงแล้วคอยหวังผลที่เป็นแอปเปิ้ล มองมั่วมันก็ออกลูกอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นไม่สนใจเพราะคอยหาแอปเปิลมาเมื่อไหร่มันจะออกมาสักทีเมื่อไหร่แอปเปิลจะออกมาสักทีเวลาเราคาดหวังอะไรสักอย่างนี่เนี่ยบางทีสิ่งที่เราคาดหวังมันไม่ตรงกับสิ่งที่เรากาลังกระทําอย่างปฏิบัติธรรมเจริญสติเนี่ยผลที่ออกมาคือสติในแต่ละขณะที่เรารู้ตัวสติก็จริลยเงอกงามอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นสติอ๋อมองเ็นสติที่กําลังงาะงามไปเห็นอะไรก็ไม่รู้เพราะไปคาดหวังว่า มันต้องเป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่เราคาดหวังกับความเป็นจริงไม่เหมือนกันเราคาดหวังแอปเปิลแต่ไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นการปลูกมะม่วงไม่เห็นมะม่วงไม่เห็นแอปเปิลออกก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราทํามันล้มเหลวแต่เราต้องหันมามองว่าแทนที่จะหวังแอปเปิลลองมามองที่มะม่วงสิก็จะเห็นมะม่วงอยู่เต็มเลยหรือเห็นมะม่วงที่กําลังเกิดขึ้นกําลังโตมอยู่เรปฏิบัติธรรมมันจะเป็นอย่างนี้คือคาดหวัง ในสิ่งซึ่งมันไม่ได้สอดคล้องกับหรือไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่จะเริญสติแต่ไปหวังอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่สติเพราะไม่รู้ว่าสติเป็นอย่างไงเมื่อไม่รู้ว่าสติเป็นอย่างไงหรือไปไปวาดหวังเอาไว้เกินจริงมันก็เลยไม่เห็นว่าไอ้สิ่งที่เราทํานั้นมันกําลังเกิดผลอยู่อันนี้ก็เหมือนกันนะคือเป็นผู้ที่เละว่ามองไม่เห็นความสุขหรือความสําเร็จที่กําลังปรากฏอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่มองไม่เห็น เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทํำก็คือว่าปรับมุมมองหรือทัศนคติเสมม้นใหม่เพราะถ้าเราไม่มองไม่เห็นเนี่ยเราจะละทิ้งสิ่งที่เรามีอย่างน่าเสียดายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยท่าที่ต่อความสุขก็คือว่าหนึ่งไม่ไม่หาทุกมาท่วมทับตนคนเหล่านี่ชอบหาทุกมาทําร้ายตัวเองโดยเพราะการฟุ้งซ่านสิ่งไม่ดีผ่านไปแล้วยังเก็บเอามาคิดคิดแล้วก็ทุกเอง เวลาเราโกรธแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่มันทำร้ายตัวเองทั้งนั้นแหละไอ้คนที่เขาพูดไม่ดีกับเราเขาก็พูดไปเขาก็สบายใจไปแล้วแต่เราเสริกลับมาทุกข์ด้วยความคิดของตัวเองเอาเรื่องนั้นแหละมาคิดซ้ําคิดซากมันก็คนที่บีบแก้วในมือถ้าไม่บีบแก้วมันก็ทําอะไรไม่ได้แต่พอบีบแก้วบีบหนักๆเขาก็เจ็บอันนี้ข้อแรกข้อที่2คือว่าไม่ละทิ้งความสุข ที่ได้มาโดยชอบทำเอาความสุขที่ได้มาโดยชอบทมก็อย่าทิ้งนะแต่คนจํานวนมากทิ้งนะเพรา ะ, ะไปอยากได้ความสุขข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงเลยทิ้งเลยไอความสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันทิ้งด้วยความไม่รู้หรือทิ้งเพราะไม่เห็นคุณค่าเพราะไปวาดหวังว่าไอข้างหน้านี่มันดีกว่าประเสริฐกว่ามันเหมือนเนื้อก้อนที่ใหญ่กว่าก้อนที่เรามีอยู่ เราเลยทิ้งมันไปนเลยนี่เรียกว่าทิ้งความสุขโดยชอบธรรมพระพุทธเจ้าก็ไม่สรรเสริญ น, นะแต่ทนี้คนนี้บางคนก็สงสัยาเอ๊ะในเมื่อเราเห็นความสุขถ้าเราเห็นความสุขแล้วเรามีความสุขอยู่แล้วอยู่ที่บ้านก็มีความสุขอยู่แล้วนะอยู่ที่ในเมืองก็มีความสุขอยู่แล้วแล้วมาปฏิบัติทำไมมาปฏิบัติก็เพราะว่าไอ้ความสุขที่เรามีนั้นเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมัน่น กับความสุขที่เรามีอยู่หรือฝึกเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันและไม่ทุกไปกับหรือไปในยามที่ความทุกนั้นมันเสื่อมสลายไปเราก็ไม่แน่ใจว่าสุขภาพที่เรามีเนี่ยมันจะดีไปอีกนานเท่าไหร่เราก็ไม่แน่ใจว่าคนลักลูกหลานพ่อแม่ที่เรามีอยู่เวลานี้เนี่ยเขาจะไปจากเราเมื่อไหร่แต่เขาต้องไปแน่แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่มันจะอยู่ ย, ยั่งยืนหรือเปล่าไม่มีใครบอกได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้อีกขั้นหนึ่งคือนอกจากจะเห็นรู้จักชื่นชมความสุขที่เรามีแล้วก็ไม่ทิ้งความสุขที่เรามีแล้วเนี่ยเลยต้องเรียนรู้ที่จะไม่เสียบมัวเมาแล้วก็รู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดถือมั่นกับสิ่งนั้นเมื่อถึงเวลามันจากไปมันสูญไปมันแปลเปลี่ยนไปก็ไม่ทุกข์นะนี่เป็นการบ้านอีกขั้นหนึ่งซึ่งเราต้องฝึกด้วยฝึกขั้นแรกก็คือเห็นความสุขที่เรามีอยู่ให้ได้ และขั้นที่2คือว่าพร้อมที่จะรักษาใจปกติได้เมื่อความสุขที่เรามีอยู่นั้นมันสูญสลายไปตรงนี้ยิ่งยากกว่าเพราะว่าเรามักจะอยากให้มันคงที่บางคนจะบอกว่าเอาละฉันไม่อยากได้อะไรมากกว่านี้แล้วฉันพอใจฉันพอเพียงแล้วแต่ขอให้อะไรที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ไปจนตายแล้วกันอันนี้มันฝืนความเป็นจรงิงถึงแม้เราจะพอเพียงในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่เราก็ต้องฝึกอีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือว่า เมื่อถึงเวลาที่มันเสื่อมไปแปรสภาพไปหรือเกิดความพลัดพคสูญเสียเราก็ไม่ทุกข์ถึงเวลาเจ็บป่วยถึงเวลาคนรักตายจากไปถึงเวลาทรัพย์สินเงินทองมันหดหายไปจะด้วยเพราะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราก็อยู่ได้ถึงจนกว่านี้ก็เป็นสุขได้ไม่วันไหวอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยนอกจากเราจะไม่ละทิ้งความสุขโดยชอบทําแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักที่จะ ฝึกใจให้เป็นอิสระไม่เสืยบหมวมมาในความสุขที่มีอยู่คือไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่เป็นทาตมันเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทรไมเราถึงต้องปฏิบัติธรรมทั้งๆที่ทท้ชีวิตที่เรามีอยู่ก็สุขอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะเห็นความสุขที่ตัวเองมีอยู่ในปัจจุบันได้ด้วยซ้ําอันนี้ก็หนักเข้าไปใหญ่แต่ก็ไม่ไม่เหลือวิสัยที่จะฝึกเสพใหม่เพื่อจะได้เห็นและก็ทราบซึ้งในสิ่งดีๆที่เรามี ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรามีอยู่กับตัวหรือว่าสิ่งที่เราสัมพันธ์กับผู้อื่น